ราคานิดหน่อยที่สำคัญคือ น, น้ำใจน้อยๆอย่าให้เคลื่อนร้อยตามราคาน้ำมันวันนี้ที่ไหนก็ได้ร้านเล็กร้านใหญ่ไม่สำคัญสัมพันธ์ของเรายิ่งใหญ่เอ้าวันนี้เธอจ่ายไ้วันหน้าไปตาฉันเลสโกโอเคสิการ์ดจะฝน ก็ขึ้นราคานิดหน่อยที่สำคัญคือ น, น้ำใจน้อยๆอย่าให้เคลื่อนพลอยตามราคาน้ำมันวันนี้ที่ไหนก็ได้ร้านเล็กร้านใหญ่ไม่สํามากขาดสัมพันธ์ของเรายิ่งใหญ่วันนี้เธอจ่ายไว้วันหน้าไฟตาฉัน